พระวิริยังใกล้พบกับพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์โกงมาจิรปุญโยผู้ซึ่งได้นำพระวิริยังซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระภิกษุหนุ่มอายุได้22ปีอุปสมบทได้หนึ่งพันษาเดินทุ ด, ดงครั้งสาคัญเพื่อติดตามพระอาจารย์มั่นผู้เป็นพระประมาจารย์ของคณะกรรมฐาน การเดินทุดงด้วยเท้าจากจังหวัดจันทบุรีจนถึงจังหวัดนครราชสีมานั้นนับว่าไม่ใช่ใกล้แต่ระหว่างทางที่ผ่านก็ยอมแสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นเป็นป่าใหญ่และเป็นสถานที่วิเวกของผู้สนใจในธรรมะได้เป็นอย่างดีจากถ้ำวัวแดงท่านอาจารย์ได้พาข้าพเจ้าเดินทางต่อไปคราวนี้ไม่เป็นป่าใหญ่เป็นทุ่งนา และมีป่าไม้เต่งไม้รังไม้แดงเป็นระยะๆะะไปไม่มีอะไรจะทำให้เกิดความหวาดเสียวเหมือนที่ผ่านมาเพราะท่านอาจารย์ได้มุ่งตรงเพื่อตัดทางให้ถึงพระอาจารย์มั่นให้เร็วเข้าจึงไม่มุ่งเข้าหาป่าใหญ่เดินลัดเข้าหาตัวอำเภอรกระโทตกก็ถึงในวันเดียวพักอยู่ที่วัดนี้ตามอัธยาศัยเปลี่ยนจากทุดงนอนกับดินกับหญ้ามาจาวัดกันบนกุฏิที่เขาจัดไว้ให้ ซึ่งก็ทำให้บรรยากาศทั้งหลายเปลี่ยนไปโดยการพบหมู่คณะผู้ปฏิบัติธรรมมาด้วยกันแล้วก็ไต่าถามถึงการปฏิบัติว่าได้ผลอะไรไปทุดงกันที่ไหนเป็นการสังสรรค์ภายในหมู่คณะซึ่งก็ได้ผลไปอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้สงครามโลกครั้งที่สองก็ยังไม่สงบ ก, การจะไปไหนมาไหนจะต้องมีการระมัดระวังและขณะที่มาถึงนครราชสีมานั้น ก็เป็นเวลาที่ทางฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังทิ้งระเบิดสถานีรถไฟจังหวัดนครราชสีมาหลังจากพวกเราได้พบปะสังสรรค์กับหมู่คณะที่จากกันไปนานแล้วก็ออกเดินทางจากอาเภอรกระทโทกเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมามาพักที่วัดป่าสาลวันอันเป็นวัดใหญ่ของคณะกรรมฐานในจังหวัดนี้แทบเป็นวัดร้างเพราะมีพระภิกษุสามเณรไม่กี่องค์ เนื่องจากวัดนี้อยู่ใกล้สถานีรถไฟจึงได้ถูกลูกหลงคือลูกระเบิดเข้าให้หลายลูกพระภิกษุสัมเนเนจึงต้องอกพยพไปอยู่ที่อื่นกันเสียเป็นส่วนมากท่านอาจารย์กงมาบอกกับผู้เขียนว่านี่แหละดูเอาเถอะเมื่อสองครามเกิดขึ้นก่อความทุกข์ยากให้แก่คนทุกชั้นแม้กระทั่งพวกเราฝ่ายพระสงฆ์ซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามก็ยังพลอยลำบากไปกับเขาด้วย ชื่อว่าสงครามเนี่ยไม่ดีเลยแต่มนุษย์ก็ชอบทำสงครามทุกยุคทุกสมัยตื่นขึ้นตอนเช้าท่านอาจารย์ก็พาข้าพเจ้าเข้าไปบินทบาทตามหมู่บ้านที่เคยไปแต่ก่อนๆรู้สึกหงอยเหงามากเพราะญาติโยมอพยพไปที่อื่นๆยังกลับกันไม่หมดมองไปทางใดเห็นแต่หลุมลูกระเบิดบางหลุมเก่าขังน้าจนเกิดผักบุ้งเต็ม มันมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวก็คือมีสองคนถูกสะเก็ดระเบิดเลือดอาบตัวแดงไปหมดเขายังมีชีวิตอยู่ได้วิ่งกระเสือกกระสนเข้ามาที่วัดนี้แต่การวิ่งของเขาวิ่งด้วยความกลัวหรืออย่างไรไม่ทราบวิ่งอย่างไม่มองหน้าหลังตรงรีขึ้นศาลาการประเรียนเลือดไหลแดงฉานเขาตรงเข้ากราบพระประธานแล้วสิ้นใจที่ตรงนั้นเอง มันช่างเป็นภาพที่น่าปลงธรรมสังเวทอะไรเช่นนั้นท่านอาจารย์บอกกับผู้เขียนว่าเราควรจะรีบเดินทางต่อไปดีกว่าเพื่อพบกับพระอาจารย์มั่นตามความตั้งใจของพวกเราท่านอาจารย์ก็รีบไปสืบว่ามีรถไฟเดินไปทางจังหวัดอุดรหรือเปล่าเพื่อเป็นการย่นทางย่นเวลาเพราะถ้าใช้เวลาเดินจะต้องเป็นเดือนๆือนอีกเวลาก็ใกล้เข้าพรรษามาแล้วอาจจะไม่ทันการ เมื่อทราบว่ามีรถไฟวิ่งไปอุดรเป็นบางวันท่านอาจารย์ก็คอยวันนั้นได้พาข้าพเจ้าขึ้นรถไฟซึ่งสภาพในขณะนั้นก็แย่มากเพราะรถไฟถูกลูกระเบิดแค้แก้ไปเยอะแต่ก็ต้องทนเอาแม้จะต้องยืนบ้างนั่งบ้างไปวันเดียวก็ถึงจังหวัดอุดรธานีได้พาไปพักที่วัดป่าบ้านจิกหนะ้าที่จังหวัดอุดร น, นี้สงบเหมือนกับไม่มีสงคราม ผู้คนไม่ได้อพยพภัยแต่อย่างใดเมื่อมาถึงวัดนี้ก็พอดีคุณนายทิพย์ผู้เป็นเจ้าของวัดป่าบ้านจิกก็เป็นวัดป่าเช่นเดียวกับวัดป่าทั้งหลายโดยมีกุฏิพระภิกษุสัมเนรอยู่องค์ละหลังเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมมีศาลากา ร, รเรียนเป็นที่ประชุมพระภิกษุสัมมเนรในเวลาบางครั้งบางคราวที่จะได้มีการอบรมสมาธิและชี้แจงข้อธรรมที่ปฏิบัติมา วันหนึ่งคุณนายทิพย์และคณะอุบาสิกาหลายคนได้มาสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์กงมาต่างก็ได้ถามถึงเรื่องการปฏิบัติทางจิตใจหลายอย่างท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายไปตามความรู้ของท่านแต่คุณนายทิพย์ยังไม่พอใจเพราะเธอแก่ปริยัตมากเมื่อพูดถึงวิธีการเข้าฌานว่าจะเข้าอย่างไรขอให้ท่านอาจารย์เข้าให้พวกทีฉันดูบ้างสิ ท่านอาจารย์กงมาท่านถูกไม้นี้เข้าท่านจึงหาวิธีแก้ลำด้วยนามยอกเอาหนามบงจึงได้บอกว่าจะเข้าชานให้ดูก็ได้ให้คุณนายจัดหาเม่าม่วง อ, อกร่องกับข้าวเหนียวมูลมาให้มากหน่อยไม่ว่าแต่อัตมาดอกเข้าชานได้ทุกคนถ้ารับประทานมันให้อิ่มเข้าชานมันจะยากอะไรคณะคุณนายชอบใจกันเป็นการใหญ่ เมื่อพักอยู่จังหวัดอุดรธานีประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เดินทางต่อไปจังหวัดสกล น, นครอันเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นจุดประสงค์อย่างยิ่งในการเดินทุดงอันแสนจตุรักกันดาในครั้งนี้ข้าพเจ้ามีจิตใจเบิกบานผิดกว่าการเดินทางไปที่ไหนๆทั้งหมดในวันนี้เพราะมาถึงจังหวัดสกล น, นครทั้งทราบว่าท่านอาจารย์มั่นได้มาพักอยู่ในจังหวัดนี้ แต่ท่านอาจารย์ยังไม่พาผู้เขียนไปถึงท่านอาจารย์มั่นเพียงแต่พักเอาแรงกันที่วัดสุทาวาสในตัวจังหวัดเส้ไลายวันทำให้ข้าพเจ้าทุรนทุรายไม่ใช่น้อยที่มาใกล้แล้วไม่รีบไปแล้วท่านได้ถึงเล่าความเป็นไปต่างๆของท่านอาจารย์มั่นซึ่งอาจารย์ของข้าพเจ้าได้ว่าไว้อย่างนี้คือหนึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านรู้จักใจคนจะนึกจะคิดอะไรทราบหมด 2. ท่านอาจารย์มั่นท่านดุยิ่งกว่าใครๆทั้งนั้น 3. ท่านอาจารย์มั่นท่านเทศนาในธรรมปฏิบัติยอดกว่าใครทั้งนั้น 4. ท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติตัวของท่านเป็นตัวอย่างแก่สิทธิ์อย่างเยี่ยมยอด 5. ท่านอาจารย์มั่นท่านจะต้องไล่พระที่อยู่กับท่าน ถ้าหากทำผิดแม้แต่ความผิดนั้นไม่มากแต่เป็นเหตุให้เสื่อมเสียนี่ก็เป็นความทรงจำของผู้เขียนที่จะต้องท่องไว้ในใจไม่ให้ลืมทั้งกลัวทั้งต้องการที่จะพบ ท, ทั้งทั้งที่ยังไปไม่ถึงเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจยิ่งกว่าครั้งใดๆของผู้เขียนอย่างยิ่งดูเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคราวนี้ข้าพเจ้าได้ถามท่านอาจารย์ว่า เมื่อไรจรึงจะเดินทางไปพบท่านอาจารย์มั่นกันเสียทีได้รับคำตอบว่ารอก่อนกี่วันท่านก็ไม่บอกก็จำต้องอยู่ที่วัดสุทาวาส น, นี้ไปเรื่อยๆข้าพเจ้าคิดในใจว่าท่านอาจารย์ก็คงจะตระเตรียมอะไรๆของท่านบ้างเป็นแน่เพราะท่านได้จักท่านอาจารย์มั่นไปสิบกว่าปีก็คงจะร้อนๆหนาวๆเหมือนกันเอาเถอะ แม้จะรอหลายวันก็เป็นการรอที่ใกล้ความหมายกันแล้วข้าพเจ้ามาพักที่นี่ได้ถามญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในลรแวกนี้ก็ทราบว่าวัดที่ท่านอาจารย์เสาผู้เป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์มั่นมาสร้างไว้เป็นป่าไกลาจากตัวเมืองสองกิโลเมตรจึงเป็นวัดที่สงบสงัดมากแต่บัดนี้ก็มีบ้านคนตลอดจนถึงที่ทาการของรัฐบาลเช่นศาากลางจังหวัด ก็ามาตั้งอยู่ใกล้จึงทำให้กลายเป็นวัดกลางเมืองไปในปัจจุบันท่านอาจารย์กรงมาได้บอกผู้เขียนว่าหนทางจากวัดสุทาวาสนี้ไปถึงบ้านโคกตาบนตองโขบอำเภอเมืองสกล น, นครเป็นหนทางไกลถึงห0 0อเส้นหรือ20กิโลเมตรต้องเดินไปไม่มีทางรถยนต์เป็นบ้านเกิดของท่านอาจารย์กรงมาซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเอง ท่านว่าเป็นโชคดีอะไรเช่นนี้ท่านอาจารย์มั่นได้มาพักที่บ้านของเราเท่ากับว่าเราได้โปรดญาติเราพร้อมกับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสูงถ้าเราไม่มาจากจันทบุรีเราจะเป็นคนเสียหายมากจะพลาดโอกาสที่งดงามอย่างยิ่งแต่เป็นการดีและประจวบเหมาะเอาเสียจริงๆที่เรื่องต่างๆมาผสมผสเสได้อย่างนี้ซึ่งท่านอาจารย์มั่นจะต้องรักเรามาก จึงมารอเราที่บ้านของเราเองเราไม่เหนื่อยเลยที่ต้องตราตรามาอย่างลำบากนี้การเดินทางของเราจึงมีผลอย่างล้นค่าที่สุดในชีวิตผู้เขียนได้ฟังอาจารย์ของผู้เขียนรำพึงรำพันอยู่เช่นนี้จางถูกอกถูกใจผู้เขียนเสียจริงๆแต่ข้าพเจ้ากลับคิดว่าการที่จะได้พบท่านอาจารย์มั่นในครั้งนี้เป็นสิ่งที่เหลือจะพันนาถึงความทราบซึ้งตรึงใจ คล้ายกับจะพึงได้เห็นพระอาหารหันต์ก็ปานกันนึกไปก็กระหิมในใจอยากจะพบหน้าท่านอาจารย์มั่นเสียโดยพลวันและเวลาช่างยาวนานเสียลืเกินมากกว่าที่ข้าพเจ้าเดินทางมาเป็นเวลาสามเดือนแสเสีอีกกับช่วงห้าวันที่อยู่วัดสุทาวาสเหมือนกับจะทวงเวลาหิวกระหายให้เยื่นเยอ้อข้าพเจ้าดีจะอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้าวันหนึ่ง อันถือว่าเป็นวันพิเศษคือเป็นวันอาจารย์กับสิทธ์กำลังจะเดินทางไปซึ่งจะต้องได้ถึงที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่ใช้เวลาห้าชั่วโมงขณะที่เดินไปลูกสิทธ์อาจารย์มิได้พูดกันถึงเรื่องอะไรเลยต่างก้มหน้าเดินเอาเดินเอายังไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อลาส่วนข้าพเจ้านั้นมิได้ก้มหน้าเปล่าๆมีการวาดมโนภาพอยู่ในใจ ยังไม่เคยมีมาในการก่อนว่าท่านอาจารย์คงจะมีร่างกายสูงใหญ่สถานที่อยู่จะต้องกว้างขวางร่มรื่นมีพระผู้ทรงคุณวุฒิอยู่กับท่านห้อมล้อมคอยฟังธรรมจากท่านเป็นอันมากพระภิกษุสามเณรที่อยู่นั้นคงจะอยู่ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งแต่คงจะได้รับประโยชน์มากมายเหลือล้นบริเวณลานวัดคงจะเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีอยกเยื่อโรกรุงรัง ผู้ที่มาฟังท่านอาจารย์มั่เทศนาคงจะได้รับรสพระธรรมที่ยิ่งใหญ่ยิ่งวาดมโนภาพก็ยิ่งคิดไปถึงครั้งพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ในเมื่อถึงการออกพรรษาจะมีพระภิกษุสั ม, มเนรมาจากทิศ ต, ต่างๆเข้ามาเฝ้าเพื่อทูลถามอัตถปัญหาต่างๆและก็ได้รับประโยชน์มหาศาลบัดนี้ท่านอาจารย์มั่น ก็ได้มีพระภิกษุสามเณรมาจากที่ต่างๆดูแต่เรากับอาจารย์ก็กำลังมาข่าวว่ามีพระภิกษุสามเณรมาจากที่ต่างๆก่อนเราก็มีกำลังจะมาตอนหลังเราก็มีดูก็จะเหมือนครั้งพุทธกาลเสละกระมังคิดไปคิดมาเอนี่จะคิดมากไปเสียแล้วทำไมจะนำอาจารย์มั่นผู้เป็นเพียงพระสาวกมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าไม่ควรแท้ ถ้าไม่เปรียบอย่างนี้จะไปเปรียบอย่างไรถึงจะดีก็ควรจะเปรียบกับสาวกบางองค์แต่เราก็ไม่รู้ประวัติพระสาวกเหล่านั้นพระวิริยยังพบกับพระอาจารย์มั่นแล้ว มนโนภาพที่ข้าพเจ้ากำลังวาดไปวาดไปอยู่นั้นได้หยุดสะดุดลงเมื่อพระอาจารย์ของข้าพเจ้าบอกว่าถึงแล้ววิริยังนอนอยังไงบ้านโคกอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราและเนี่ยังไงทางเข้าไปวัดป่าที่ท่านอาจารย์มั่นพักอยู่เหมือนกับตัวลอยคล้ายเจ้าหอเสิยแล้วเราดูให้เหมืนสู้ซาไปตามร่างกายคล้ายกับเกิดปีติในสมาธิอย่างไรก็อย่างนั้น ยิ่งไกลเข้าไปก็ยิ่งเหมือนกับตกอยู่ในห่วงแห่งความปลื้มปีติยังไม่เคยมีมาก่อนเลยข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นจากศิษย์กับอาจารย์นี้เป็นเรื่องมหสัสารเหลือหลายได้แก่ตัวของข้าพเจ้าขณะที่กำลังจะเหยียบย่างเข้าไปในบริเวณที่พักของท่านอาจารย์มันเป็นความเชื่อตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวท่านเป็นธรรมะตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวท่าน เป็นความทราบซึ้งตั้งแต่ยังไม่เห็นตัวท่านหัวนระลึกถึงพระสาวกบางท่านเข้ามานมัส ก, การพระพุทธเจ้ายังมิทันได้เห็นพระพักของพระพุทธองค์แม้เพียงนั่งอยู่ข้างคันทักุดีเท่านั้นกำหนดจิตดูน้ำที่ตกชายคาเป็นนิมิตว่าน้ำตกลงมาแล้วก็หายไปเป็นฟองขึ้นแล้วก็หายไปไม่ตั้งอยู่ได้นานสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกัน เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปท่านพระสาวกรูปนั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์ก่อนแต่ที่จะพบพระพักของพระพุทธองค์นี่ข้าพเจ้าก็จะเป็นเช่นนั้นหรืออย่างไรแม้ขณะที่กำลังจะก้าวย่างเข้าสู่ลานวัดที่พักก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติซึ่งเป็นความรู้สึกที่ยากจะพูดออกมาว่าเป็นอย่างไรถึงแล้วความรอคอยของผู้เขียน แลบรรลุจุดที่หมายอย่างสมบูรณ์ในเมื่อเข้าถึงที่พักและข้าพเจ้าต้องตกตะลึงนิดหน่อยเมื่อเห็นท่านอาจารย์มั่นเป็นครั้งแรกของชีวิตซึ่งท่านได้นั่งอยู่ที่ศาลาหลังเล็กชี้มือมาอยัางอาจารย์ของข้าพเจ้าและผู้เขียนสั่งให้พระภิกษุรูปหนึ่งและสามเณรให้รีบรับบริขารที่ผู้เขียนกับอาจารย์กาลังตาายบาดแบหลดความนึกความคิดไปต่างๆนาน า, นา หายจักจิตไปแล้วด้วยสิ้นเชิงกลับมาเป็นความเลื่อมใสขณะที่มาถึงเป็นเวลาบ่ายห้าโมงเย็นแล้วและท่านอาจารย์มั่นได้สั่งให้พระเนนจัดบริขารนาไปที่กุฏิซึ่งได้จัดไว้เป็นอย่างดีล่วงหน้าแล้วและพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้พาผู้เขียนซึ่งขณะนี้ตัวเบาจริงๆเพราะบริขารที่ถูกตัพายมาถึงห้า้อยเส้นได้ถูกลดออกไปแล้ว เข้าไปกราบนมสัส ก, การท่านอาจารย์มั่นบนศาลาเล็กซึ่งมุงด้วยยาคาประโยคแรกและนำเสียงครั้งแรกที่เป็นคำพูดของท่านอาจารย์มั่นที่เข้าสู่โสดประสาสของข้าพเจ้าข้าพเจ้ายัางจำได้และจำได้แม่นยำเพราะเป็นคำที่ทราบซึ้งอะไรเช่นนั้นเออเจ้าลูกศิษย์อาจารย์เหนื่อยแท้บอกหมายความว่าเหนื่อยมากนักหรือ ท่านอาจารย์โกงมาได้ตอบว่าไม่เหนื่อยเท่าไรพอทนได้ท่านอาจารย์มั่นได้ให้พวกเราไปส่งน้ำมีพระภิกษุสัมมเนนได้จัดน้าร้อนน้ำเย็นไว้พร้อมคอยรับพวกเราผู้เขียนส่งน้ำไปพลางคิดไปพลางว่าข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุสัมาเนนที่อยู่กับพระอาจารย์มั่นนี้ช่างเรียบร้อยแลรู้ทุกๆอย่าง ยิ่งกว่าผู้ที่อยู่ในถิ่นเจริญที่ได้ศึกษาสูงเสียอีกแม้ว่าที่นี่จะเป็นบ้านนอกอยู่ในป่าดงดูแค่ลานวัดแม้จะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่หนานแน่นแต่ภายใต้ต้นไม้ที่เป็นลานจะถูกกวาดเตียนเรียบไม่มีใบไม้โรครุงรังองน้าทุกแห่งวางอย่างมีระเบียบกระทั่งฝาปิดองขันตักน้ำแม้จะเป็นกระบวยซึ่งทาจากกะลามะพร้าว แต่ก็สะอาดเรียบร้อยโอ่งถูกขัดทั้งข้างนอกข้างในสะอาดสะอ้านหลังจากสงน้ำเสร็จแล้วเข้าไปที่กุฏิที่จัดไว้แล้วแม้จะเป็นกุฏิมุงหญ้าคาแต่สะอาดจริงๆแม้แต่ผ้าเช็ดเท้ายังพับเป็นระเบียบแทบไม่กล้าเหยียบลงไปเลยเมื่อเข้าห้องยิ่งดูเป็นระเบียบเพราะบริขารต่างๆถูกจัดไว้เรียบร้อย แม้กระทั่งบาดตั้งแล้วเปิดฝาเพื่อไม่ให้อับและเหม็นกลิ่นทั้งนี้เห็นจะเป็นเพราะภิกษุสามเณรทั้งหลายได้ถูกอบรมการปฏิบัติข้อวัดต่างๆอย่างดียิ่งจึงเป็นอันว่าวัฒนธรรมของพระนี้มีอยู่แม้กระทั่งในป่าเขาในท้องถิ่นป่าดงที่ห่างไกลความเจริญเมื่อผู้เขียนได้กลับออกจากกุฏิมองไปโดยทั่ววัดเห็นพระเนนทุกรูป ต่างก็เข้าที่เดินจงกรมอยู่ตามกุติของตนเพราะกุติแต่ละหลังจะมีทางเดินจงกรมทุกหลังขณะนั้นบรรยากาศโดยทั่วบริเวณช่างสงบเอาจริงๆต่างองค์ต่างก็มุ่งหวังเพื่อพระนิพพานโดยแท้แม้จะมองไปที่กุติอาจารย์มั่นก็เห็นท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เช่นเดียวกันข้าพเจ้าก็เลยเข้าทางจงกรมต่อไป แม้จะเดินทางมาถึงยี่สบกว่ากิโลเมตรแล้วแทนที่จะพักกันวันนั้นแต่เมื่อเห็นทุกๆองค์เขาเข้าที่จงกรมหมดแล้วก็ต้องเข้ากับเขาต่อไปแต่ก็ไม่เห็นว่าจะเหน็ดเหนื่อยเลยเพราะขณะนี้มีปีติอยู่ในตัวแล้วและเป็นความสำเร็จในชีวิตของความเป็นพระอย่างที่จะต้องจ่ารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของตนเองด้วยความหนักแน่นของจิตในขณะนี้ ดูเหมือนไม่มีอะไรจะมาเปรียบเทียบได้หลังจากเดินจงกรมเสร็จพอท่านอาจารย์มั่นท่านขึ้นกุฏิพระภิกษุสัมมเนนก็หยุดจงกรมคอยสังเกตดูว่าท่านจะเข้าห้องเลยหรือท่านจะนั่งอยู่ข้างนอกถ้าหากท่านนั่งอยู่ข้างนอกพระภิกษุสัมเนนทั้งหลายก็จะรีบขึ้นตามไปเพื่อจะได้ฟังธรรมจากท่านวันนั้นท่านได้มานั่งข้างนอก พระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ทยอยกันขึ้นไปที่กุฏิของท่านข้าพเจ้ามองเห็นอาจารย์โกงมาผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้ากำลังเดินขึ้นไปผู้เขียนก็เดินตามขึ้นไปบ้างเป็นนั้นว่าการเดินทางแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ไม่ต้องคำนึงถึงขึ้นไปเพื่อฟังธรรมจากท่านอาจารย์มั่นซึ่งมันเป็นการรอคอยที่ออกจะนานพอดูความตั้งใจก็ตั้งใจอย่างเที่ยงมั่นอยู่แล้ว เมื่อทุกทุกองนั่งอยู่ในความสงบต่างก็ดูเหมือนจะพยายามสํารวมใจกันอย่างเต็มที่เพราะเท่าที่สังเกตดูทุกๆุท่านอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมหมายถึงพร้อมจะรับธรรมะโดยอาการสงบเสงยมสํารวมระวังแม้กระทั่งการเดินและการนั่งน่าเลื่อมใสจริงๆทําทำให้ผู้เขียนก็ต้องเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการพบท่านอาจารย์มั่น ซึ่งก็ได้รับแต่คำเล่าลือว่าท่านมีความหนักแน่นในธรรมวินัยและมีพละกกำลังจิตน่าเกรงขามแต่ท่านกลับมีกิริยามัญญาที่อ่อนน้อมละมุนละไมทักท า, ายปราศัยกับอาจารย์ของข้าพเจ้าอย่างเป็นกันเองคล้ายกับท่านได้คุ้นเคยกันมาตั้งเป็นสิบสิบปีทำให้ผู้เขียนคลายความตึงเครียดไปตั้งเยอะค่อยๆผอหใจโล่งไปได้ เมื่อเห็นท่านคุยไปและยิ้มย่องผ่องใสเหมือนธรรมดาหลังจากท่านถามสารทุกขสุขดิบกับอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วก็หันมาถามผู้เขียนว่าได้มาพร้อมกันเรือ่องและมากันยังไงผู้เขียนก็ตอบว่ารับมากับอาจารย์ของกระผมเดินทางมาโดยเท้าตลอดเป็นระยะหลายร้อยกิโลท่านยิ้มแล้วก็ไม่พูดอะไรต่อไป อันไปทางภิกษุสามเณรทั้งหลายแล้วท่านก็เริ่มที่จะแสดงธรรมตั้งแต่20นาฬิกาโดยประมาณถึง24นาฬกาเป็นการแสดงธรรมอย่างละเอียดอ่อนในเนื้อความแห่งธรรมจักกับปวัตนาสูตรซึ่งผู้เขียนยังไม่เคยฟังวิธีการอธิบายอย่างนี้มาก่อนเลยข้อความละเอียดขอให้อ่านประวัติพระอาจารย์มั่นที่ผู้เขียนได้เขียนไว้แล้ว ตลอดเวลาสีชั่วโมงเต็มซึ่งเป็นเวลามิใช่น้อยเลยสำหรับการแสดงธรรมซึ่งท่านพูดอยู่ตลอดไม่มีเวลาหยุดผู้เขียนและอาจารย์ของข้าพเจ้าก็กำลังเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมากแต่ท่านอาจารย์มั่นท่านก็มิได้คำนึงถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเอาธรรมะเป็นใหญ่ร่างกายช่างมันทรมานมันนี้เป็นคำพูดของท่าน แต่เราทั้งสองก็ได้ถูกทรมานแล้วยังไม่ต้องมีการหลีกเลี่ยงได้แต่การถูกทรมานในครั้งนี้เป็นการทำโดยความเต็มใจทั้งสองฝ่ายคือผู้ถูกทรมานก็ไม่ย่นยอ่อผู้ทรมานก็ไม่ท้อถอยก็เลยเข้ากันได้เป็นนั้นว่าได้ต่อสู้กับกิเลสอย่างได้ผลคุ้มค่าเป็นที่สุด ตอนพระวิริยังฟังธรรมเทศนาของท่านอาจารย์มั่นกันแรกมิใช่เท่านั้นสําหรับตัวผู้เขียนในเมื่อเวลาเสร็จจากการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนั้นทุกองค์ต่างก็รีบทยอยกลับผู้เขียนก็เตรียมจะกลับอยู่แล้วแต่ท่านอาจารย์มั่นได้เรียกให้ผู้เขียนหยุดก่อนให้ทุกองค์กลับแล้วให้ข้าพเจ้าเก็บยาม และของใช้เข้าในห้องของท่านท่านได้เอยนหลังลงแล้วก็ให้ผู้เขียนบีบนวดเป็นกิจวัตรอย่างหนึ่งสำหรับพระกรรมฐานผู้เป็นสิทธิ์ถือว่าการถวายการนวดนั้นเป็นกิจวัตรประจำวันนี้ท่านได้ให้โอกาสแก่ผู้เขียนซึ่งผู้เขียนถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐแล้วที่ท่านอาจารย์มั่นได้ให้โอกาสนี้แก่เรา เพราะยากนักที่ท่านจะให้โอกาสแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้าพเจ้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและฟังธรรมตลอดระยะเวลาแต่เช้าถึงเที่ยงคืนผู้เขียนก็ไม่คำนึงถึงคำนึงแต่ว่าเราเนี่ยไม่เสียทีแล้วที่ได้มาพบท่านผู้ประเสริฐจะพยายามเพื่อสแสวงหาความรู้จักท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะไม่คานึงถึงการเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดทั้งสิน้น วันนี้เป็นวันแรกของการบีบนวดถวายท่านอาจารย์มั่นซึ่งผู้เขียนเองมีความกลัวและห ว, วาดเสียวอย่างยิ่งแล้วและกลับมาถูกเรียกให้บีบนวดซึ่งเป็นการใกล้ชิดอย่างที่สุดทำให้ผู้เขียนยิ่งต้องระวังตัวมากจนถึงกับภาวนากำหนดจิตให้รวมสงบอยู่กับที่ขณะที่มือกำลังเคลื่อนไหวไปมาในการถวายการบีบนวดนั้นแม้ท่านอาจารย์มั่นเมื่อหลังจากเอนตัวนอน ท่านพูดเพียงคำเดียวว่าบีบได้แล้วเท่านั้นเองท่านก็ไม่พูดอะไรอีกต่อไปผู้เขียนก็กาหนดจิตเอาจริงๆและเอาจริงเอาจังซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และแปลกใจเอาเหลือเกินว่าเรากลัวสารที่จะกลัวท่านกลับต้องมาจับตัวของท่านเป็นเรื่องเหมือนกับจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนทั้งเคารพอย่างสูงและกลัวอย่างสูงด้วย แต่พอบีไปและกำหนดจิตทำสมาธิไปในตัวประกอบกับผู้เขียนได้เคยอบรมจิตนี้มาก่อน8ปีแล้วจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ภาวะความเป็นปกติในเวลาไม่ช้านักค่ำคืนวันนั้นนับเป็นคืนประวัติศาสตร์ของผู้เขียนซึ่งจะต้องจดจำตลอดชีวิตเพราะแม้จะต้องเดินทางมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งยังต้องมาฟังเทศตั้งครึง่งคืนและยังต้องถวายการนวดอยู่ ในขณะนี้เวลาก็ดึกเข้าเข้ามาทุกทีท่านอาจารย์ก็ยังไม่อนุญาตให้กลับไปพักผ่อนผู้เขียนทนอย่างเต็มเหนียวคิดในใจว่าเราก็ได้พยายามที่จะมาพบท่านผู้ทรงคุณวุฒิเห็นปานนี้และได้พบแล้วทั้งได้รับใช้อย่างรวดเร็วจะไปกลัวอะไรกับการเหน็ดเหนื่อยแค่นี้ผู้เขียนไม่นอนตลอดสามเดือนก็เคยผ่านมาแล้วจึงไม่เห็นมีอะไรจะทาให้ผู้เขียนจะต้องหนักใจ ในการกระทำครั้งนี้เวลาหนึ่งตีสองตีสามตีผ่านไปผ่านไปก็ยังไม่เห็นทีท่าว่าท่านอาจารย์มั่นท่านจะลุกขึ้นมาและอนุ ญ, ญาตให้กลับเป็นธรรมเนียมของพระคณะกรรมฐานเมื่อถวายการนวดแก่พระอาจารย์เมื่อท่านยังไม่อนุ ญ, ญาตให้กลับก็กลับไม่ได้ต้องถวายการนวดตลอดผู้เขียนก็เช่นเดียวกัน เวลาก็ใกล้แจ้งเข้ามาทุกขณะแล้วผ้าครองจะขาดจะขาดผู้เขียนนึกอยู่สองสามครั้งท่านอาจารย์ก็รีบลุกขึ้นพลันยังกับจะรู้ใจผู้เขียนเอาทีเดียวและข้าพเจ้าก็รีบหาไม้สีฟันน้ําล้างหน้ากระโถนถวายท่านเมื่อท่านรับและล้างหน้าเสร็จแล้วท่านก็พูดกับผู้เขียนว่าเราได้นิมิตดีคือปรากฏในนิมิตว่าได้รองเท้าใหม่คู่หนึ่ง รองเท้าคู่นี้แปลกไม่มีแบ่งว้าตรงกลางเหมือนกับรองเท้าทั่วไปเออวิริยังกลับได้ผู้เขียนกราบสามครั้งแล้วก็รีบกลับกุฏิสว่างได้อารุณพอดีเป็นนั้นว่าผู้เขียนได้ถูกท่านทรมานตั้งแต่วันแรกพบถือว่าเป็นโชคดีของข้าพเจ้าอย่างยิ่งท่านคงเห็นว่าผู้เขียนตั้งใจยิ่งใหญ่เหลือกเกินแล้วก็เลือฉลองความศรัทธาเสียให้เต็มที่ พอเช้าขึ้นแทนที่ข้าพเจ้าจะอ่อนเพลียหรือเหน็ดเหนื่อยกลับกระปรี้กระเปร่าสดชื่นเอาจริงๆเหมือนกับคนได้ของอันถูกใจและได้สมใจและได้มากเสียด้วยแต่อะไรก็ไม่ว่าหรอกปัญหาที่ท่านได้ตั้งให้ข้าพเจ้านั่นสิหนักกว่าอะไรก็รองเท้าคู่นั้นนั่นเองมันหมายความว่ายอย่างไรกันท่านเองก็ไม่อธิบายขยายความให้กระจางแจ้งเลย คงให้ผู้เขียนต้องขบปัญหานี้เองนานทีเดียวจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าความคิดของข้าพเจ้าจะถูกต้องเป็นอันว่าข้าพเจ้าได้อยู่กับท่านอาจารย์มั่นสมความปรารถนาและนับเป็นโชคอันมหาศาลที่พระผู้ปฏิบัติท่านอาจารย์มั่นมาก่อนได้หลีกทางให้ผู้เขียนได้เข้ารับหน้าที่เป็นอุปถากอย่างที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไร เพราะเป็นที่ทราบในความประสงค์ของท่านอาจารย์แล้วนี่แหละที่ข้าพเจ้ายังได้รับความภาคภูมิใจนักหนาที่อยู่ได้กับท่านและใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษวันหนึ่งพระอาจารย์ก่งมาผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าได้เตือนผู้เขียนขณะที่มีโอกาสเข้าไปกราบไหว้ท่านตามเวลาปกติท่านเตือนว่าการอยู่กับท่านอาจารย์มั่น และได้เป็นผู้อุปถาคนี้ต้องถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งของเธอแล้วเพราะผู้จะเป็นอุปถาคท่านอาจารย์มั่นนี้ต้องเป็นผู้เพียรพร้อมด้วยกิริยามัญญาตตอนรับแขกเป็นเขาโรคพระเทรานุเทระที่จะเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านมีสติระวังในขณะที่ปฏิบัติกิจวัตรโดยรอบคอบและสะอาดตื่นก่อนนอนที่หลังเป็นต้นเมื่อรู้ความจริงต่างๆของการปฏิบัติ อาจาริยวัดโดยรอบคอบแล้วเธอจะได้ความรู้พิเศษและได้ความชำนาญตลอดถึงอัฐปัญหาถ้าถามท่านได้ตามความสามารถของตนจึงเป็นโอกาสอันงดงามที่สุดในชีวิตพรหมจันท ร, ร์ของเธอข้าพเจ้าฟังด้วยความปลาบลืมใจน้ำตาได้ซึมซาบออกมาโดยไม่รู้ตัวกับปีติในใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างประกอบเข้ากันโดยอัตโนมัติ เพราะอาจารย์มั่นก็ให้โอกาสอาจารย์ของข้าพเจ้าก็ให้โอกาสตัวของผู้เขียนเองก็ให้โอกาสแก่ตัวเองเป็นอันว่าไม่มีอะไรจะมาขัดข้องในการแสวงหาธรรมะชั้นสูงกันต่อไปอีกแล้วเมื่อถึงการเข้าพรรษาก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีพิธีการที่จะเตรียมการต่างๆ ท่านอาจารย์มันท่านใช้ให้ข้าพเจ้าจัดการทำไม้กราดความจริงไม้กราดที่จะต้องกวาดวัดนั้นก็มีอยู่ปกติแล้วแต่ท่านให้จัดเป็นพิเศษหามาไว้ให้พร้อมโดยไม่ต้องทำตลอดสามเดือนนี้เป็นเครื่องสะกิดใจข้าพเจ้าอย่างยิ่งในเรื่องของการรักษาความสะอาดทั้งบริเวณวัดและที่อยู่อาศัยตลอดจนเครื่องใช้ท่านเป็นผู้มีความสะอาดอย่างยิ่ง แม้กระทั่งห้องซ่วมต้องเช็ดถูให้สะอาดจริงๆทั้งๆที่ซ่วมนั้นไม่ใช่ซ่วมซึมเป็นซ่วมหลุมท่านได้ดูท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าว่าโกงมานี่เธอทำไมไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้ซ่วมรกยังกับป่าเสือผู้เขียนต้องตกใจอย่างยิ่งในวันนั้นท่านเดินไปทางกุฏิของท่านอาจารย์โกงมาได้เห็นต้นหญ้ากเกิดขึ้นรอบห้องซ้วม ซึ่งเข้าใจว่าท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าคงลืมไปหลายวันปล่อยให้หญ้าขึ้นโดยรอบแท้จริงท่านก็ให้สามเณรถากหญ้าโดยรอบอยู่เสมอผู้เขียนจําได้คำว่าส้วมรกยังกับป่าเสือจากปากคำของท่านอาจารย์มั่นตกใจมากและท่านยังถามข้าพเจ้าว่าอยู่ด้วยกันที่จันทบุรีส้วมก็รกอย่างนี้หรือผู้เขียนได้แก้ตัวแทนอาจารย์ของข้าพเจ้าว่า ที่จันทบุรีสวมอยู่กลางวัดกว่าทุกวันในการจำพรรษาปีนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษสำหรับข้าพเจ้าอย่างยิ่งเพราะเป็นการจำพรรษากับผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งทำให้จิตใจเกิดความระมัดระวังอย่างสำคัญอยู่ผู้เขียนจำได้ว่าขณะนั้นสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สงบซึ่งทำให้ผ้าจีวรของใช้ต่าง ขาดแคลนมากแม้กระทั่งไม่ขีดไฟก็ไม่มีใช้ต้องใช้เหล็กไฟตะบันไฟเวลาจะจุดไฟกันแต่ละครั้งก็ต้องตีเหล็กไฟเอาแม้จีวรก็ใช้ผ้าทอเองหนามากแต่ว่าท่านอาจารย์ท่านเป็นผู้มีบุญญาพินิหารมากสิ่งของแม้หายากแต่ก็ยังพอมีใช้ไม่ถึงกับขาดแคลนนักผู้เขียนต้องอัศจรรย์มาก ทั้งๆ ท, ที่ท่านก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นของขลังและเพื่อโอ้อวดคุณภาพตลอดทั้งโฆษณาอะไรเลยแต่ประชาชนต่างก็ทราบเกียรติคุณของท่านอย่างกว้างขวางรวดเร็วในเมื่อท่านจะพักอยู่ที่ไหนจึงทำให้ไม่ขาดแคลนเครื่องใช้อันเป็นไปตามอัตภาพมันเป็นความจําที่ข้าพเจ้าจะต้องจําจนกระทั่งบัดนี้ ที่ผู้เขียนกับพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนในวันหนึ่งญาติโยมทั้งหลายมาประชุมกันที่ศาลาศาลานั้นท่านอาจารย์มั่นให้การห้องแล้วท่านก็จำวัดอยู่ที่นั่นขณะที่ญาติโยมประชุมกันด้วยเทศกาลอันใดอันหนึ่งในเมื่อทำศาสนาิจส่วนอื่นเสร็จแล้วถึงเวลาเทศท่านอาจารย์ได้สั่งให้ผู้เขียนกับอาจารย์มหาบัวเทศให้โยมฟังคนละกัน เมื่อท่านสั่งแล้วท่านก็เข้าห้องไปผู้เขียนกับอาจารย์มหาบัวก็มองหน้ากันว่าจะทำอย่างไรข้าพเจ้าก็กลัวอาจารย์มหาบัวก็กลัวกลัวอะไรไม่ได้กลัวโยมหรอกแต่กลัวท่านอาจารย์ตอนพระวิริยยังพระมหาบัว ถูกให้เทศต่อหน้าท่านใจของผู้เขียนรู้สึกจะต้นแรงเป็นพิเศษผู้เขียนไม่เคยกลัวเรื่องเทศให้โยมฟังเพราะผู้เขียนเป็นนักเทศมาตั้งแต่เป็นสามเณร อ, อายุเพียง17ก็เริ่มเป็นนักเทศแล้วบัดนี้อายุ22ปีผ่านการเทศมาไม่ใช่น้อย แต่ท่านจะให้มาเทศต่อหน้าท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่เราจะต้องมาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านท่านก็เป็นที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งแล้วทำไมพระเถระผู้มีอาวุโสสูงตั้งเยอะแยะท่านไม่สั่งให้เทศทำไมจึงมาสั่งให้เราผู้เป็นภิกษุใหม่เทศยิ่งคิดยิ่งไม่สบายใจจะเทศออกหรือนีส่วนอาจารย์มหาบัวผู้เขียนก็ทายใจถูกเหมือนกันว่า ใจของอาจารย์มหาบัวก็กำลังระทึกวันไหวอยู่อย่างหนักและก็ถูกให้เทศก่อนเพราะอาวุโสกว่าผู้เขียน ท, ทําท่าทําทางเหมือนจะปวดหนักปวดเบายัางไงพี่กนผู้เขียนก็นึกขำในใจอยู่ทั้งขำทั้งกลัวระคนกันไปข้าพเจ้าก็ยังรู้จักกับอาจารย์มหาบัวใหม่ๆไม่ทราบว่าเคยเทศหรือเปล่าหรือเป็นนักเทศมาเก่งแล้วก็ทาให้หนักใจแทนอยู่ เมื่อต่างก็มองหน้ามองตากันไปกันมาพอสมควรเวลาอนุระทึกใจก็มาถึงนั่นคือเสียงพรมมาจะโลกาอารัตนาเทศโยงข้ออารัธนาแล้วผู้เขียนบอกท่านอาจารย์มหาบัวแต่ดูรู้สึกว่าท่านมีความมั่นใจอยู่ไม่น้อยทีเดียวได้ก้าวขึ้นธรร ม, มาอยังไงยังไงพี่กลนเหมือนกับจะอุทธรอะไรออกมาจากใจสักอย่างอย่างนั้นแหละแต่จะไปอุทธรกับใครเมื่อขึ้นธรร ม, มาท ท่านก็หลับหูหลับตาเทศอย่างน้ําไหลไฟดับไปเหมือนกันแสดงว่าเจนเวทีมาพอสมควรทีเดียวแต่เวทีนี้เป็นเวทีอันตรายเหลือหลายท่านคงจะคิดอย่างนั้นเองเมื่อท่านใช้วาทะแห่งการแสดงธรรมอย่างไพเราะและอึดอัดกระคนกันเป็นอันว่าจบธรรมเทศนาไปได้อย่างสบายเอวังก็มีด้วยประการชนีทําเอาผู้เขียนต้องหัวใจเต้น มันเป็นตาของเราแล้วพร้อมกันนั้นท่านมหาบัวก็จำเลืองมายังข้าพเจ้าท่านคงจะคิดในใจว่าถึงตาวิริยังมั่งละ่ะนาและคงจะคิดต่อไปว่าดูท่าทางของวิริยังจะเอาอยัางไงจะไปไหวหรือไม่ไหวเพราะต่างก็ยังไม่รู้ความสามารถของกันและกันท่านมหาบัวนั่งเรียบร้อยแล้วโยมก็อารัธนาต่อ ขอให้ยาคูไทยเทศต่อไปเถอะญาติโยมแถวนี้เขาเรียกผู้เขียนว่ายาคูไทยซึ่งแปลว่าพระไทยเป็นอันว่าผู้เขียนก็ขึ้นท ร, ร ม, มาศในอันดับต่อมารู้สึกตัวเล้ลอยพิกลเหมือนกันเพราะท่านอาจารย์มั่นท่านนั่งอยู่ข้างหลังเราเป็นภิกษุหนุ่มนับว่าอ่อนพรรษากว่าใครๆทั้งหมดที่มารวมกันอยู่นี้ ก็ทำให้หวาดเสียวสู้ซาไปหมดผู้เขียนพยายามกาหนดใจไม่ให้หวันไหวแต่มันก็หยุดได้เป็นพักๆอาศัยชำนาญธรรมะมเท่านั้นที่ทำให้ทุกๆอย่างเรียบร้อยในเวลาอนันเร็วพลันแต่เข้าใจว่าคงจะมีหลายองค์จับพิรุษได้ถึงอย่างไรก็ตามผู้เขียนก็สามารถแสดงธรรมไปได้ตามระสาของผู้ประมา แล้วหวาดเสียวเป็นที่สุดพอเทศเพลินๆไปก็ไม่เป็นไรพอนึกถึงท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่ข้างหลังสะดุ้งทุกทีแต่ก็เอาตัวรอดปลอดภัยไปได้นับเป็นธรรมเทศนาประวัติศาสตร์ของผู้เขียนจริงๆ29ปีแล้วยังคงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ทราบว่าจะเขียนพันนาเหตุอย่างไรจึงจะถูกต้องกับความเป็นจริง แล้วก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดในอนาคตการต่อมาผู้เขียนกับอาจารย์มหาบัวจะต้องเทศคู่กันเสมอเสมอมาเช่นงานศพอาจารย์มหาทองสุขพระคูอุดมธรรมคุณงานศพท่านอาจารย์ชมที่หนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินงานพิธีของท่านอาจารย์ฟัน่นอาจารโรที่วัดอุดมสมพรอำเภอพา น, นานิคมจังหวัดสกล น, นครจะต้องถูกให้เทศด้วยกันทุกครั้ง เมื่ออาจารย์มหาบัวเทศผู้เขียนก็ต้องเทศคล้ายกับท่านอาจารย์มั่นภูริทัตตาเทระท่านจะรู้การอนาคตว่าพระสององค์นี้จะต้องเทศร่วมกันการพรรษานี้ผู้เขียนเพิ่งจะบวชเป็นพระภิกษุภรรษาที่สองรู้สึกว่าเป็นภรรษาที่อิ่มเอิบด้วยธรรมะอย่างยิ่งท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงธรรมแทบทุกวัน แต่ละครั้งของท่านแสดงธรรมดุดจิ้มหรือจี้ลงในหัวใจของผู้เขียนอย่างลึกซึ้งสุดพันนาทำให้ผู้เขียนประลึกถึงบุญวาสนาบารมีของตนเองว่าบุญจริงๆหนอที่ได้มาพบอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมและแสดงธรรมที่ทราบซึ้งจริงๆจะมีอะไรเล่ามาเปรียบเทียบได้ถึงความดีงามของการให้ทานธรรมของท่านอาจารย์มั่น การปฏิบัติกิจวัตรด้วยการอุปถากด้วยการใกล้ชิดนั้นนับแต่การปูที่นอนการกรดสักผ้าเทกระโถนล้างบาทรับบาทปูอาสนะอันผักตำห ม, มากชงชานั่งคอยรับใช้ถวายน้ำวุ้นปากไม้สีฟันจนถึงการบีบนวดผู้เขียนได้บัรจงปฏิบัติท่านด้วยเคารพเป็นอย่างสูงสุดพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่วายที่จะเกิดความบกบค่องขึ้น เพราะท่านอาจารย์มั่นท่านเป็นคนละเอียดและสะอาดมากบางครั้งล้างกระโถนไม่สะอาดท่านก็ดูเอากระโถนยุคนั้นทาด้วยกระบอกไม้ไผ่ถําไมพยายามเอาคิดเท่าแช่จริงแล้วจะมีกลิ่นแม้จะมีกระโถนเคลือบล้างง่ายๆท่านก็ไม่ใช้ซึ่งเป็นการฝึกฝนผู้ที่จะอุปถาคท่านไปในตัวเสร็จแม้แต่ผ้าปูที่นอนซึ่งการเย็บผ้าตะเข็บข้างบนข้างล่างเหมือนกัน ถ้าไม่สังเกตจริงๆจะไม่ทราบเลยผู้เขียนไม่สังเกตเอาหัวกลับท้ายเอาท้ายกลับหัวถูกดุเอาหลายครั้งจนจำได้กรดที่แขวนจำวัดกรดนั้นมันกลมใครจะจำได้ว่าข้างไหนเป็นหัวนอนข้างไหนเป็นปลายเท้าผู้เขียนก็จะโดนดุอีกเพราะการกลับไปข้างบ้างเอาหัวไปเท้าบ้างนึกว่าไม่เป็นไร จนถึงกับต้องเอาเครื่องหมายไปหมายไว้ที่กรดจนจำได้จึงไม่โดนดุท่านพูดเส ม, อ, เสมอว่าก็เมื่องานภายนอกหยาบๆอย่างเนี้ยยังทำไม่ได้ทำไมจิตเป็นของละเอียดจึงจะบาเพ็ญฝึกหัดได้ทําเอาผู้เขียนสะดุ้มทุกครั้งจึงเป็นอันว่าผู้เขียนต้องพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อถวายความเคารพและทดแทนคุณนานุ ค, คุณของท่าน ก็ไม่ใช่ผู้เขียนจะผูกขาดการปฏิบัติท่านอาจารย์มั่นแต่ผู้เดียวทุกๆองค์ที่อยู่ด้วยก็ช่วยกันเท่าที่โอกาสจะให้และทุกๆองค์ก็ต้องการเช่นเดียวกับข้าพเจ้าศรัทธาด้วยตนเองที่จะถวายการอุปถาคท่านโดยเฉพาะท่านได้เอ็นดูผู้เขียนเป็นกรณีพิเศษไม่ทราบว่าเป็นเหตุผลอะไรท่านเคยพูดว่าวิริยังท่าถูกกันเวลาบีบนวดถวาย เมื่อการพรรษาผ่านไปยังได้ผลในทางการบำเพ็ญโดยไม่หยุดยั้งเหมือนประหนึ่งว่าสามเดือนนั้นเป็นสามวันไปทีเดียวส่วนอาจารย์ของข้าพเจ้าท่านก็หาวิธีที่จะวางรากฐานในบริเวณสถานที่แห่งนี้ให้เป็นการถาวรสมกับท่านอาจารย์มั่นได้มาพักอยู่ที่นี่ถึงสองพรรษาท่านได้จัดการที่ดินให้เป็นบริเวณกว้างขวางหลายสิบไร่ให้เป็นวัดขึ้น จัดการก่อสร้างกุฏิศาลาให้ใหญ่โตและถาวรขึ้นมาอย่างรวดเร็วท่านอาจารย์กงมาได้พูดกับผู้เขียนว่าวิริยังเราจะต้องทาที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่บำเพ็ญวิปัสนาเป็นการถาวรแก่ละแวกบ้านของเราให้สมกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นปรมาจารย์ได้มาพักอยู่ในสถานที่แห่งนี้ผู้เขียนได้ตอบท่านว่า จะไม่เป็นการรบกวนความสงบของท่านอาจารย์มั่นไปหรือเพราะว่าท่านไม่ต้องการจะก่อสร้างที่ถาวรจะเป็นกังวลท่านอาจารย์ของข้าพเจ้าบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้นหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าทานนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ยังสร้างคันตะกุดีถวายราคาตั้งหลายล้าน ตอนพระวิริยังเขียนมุตโตไทยหลังจากปวารณาออกพรรษาแล้วพุทธศักราช2484ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ได้ไปพักที่บ้านนามนไม่ไกลจากบ้านโคกเท่าไรนักประมาณ4ี่กิโลเมตรแต่เวลาไปครั้งนี้ทั้งทั้งที่ข้าพเจ้าปฏิบัติท่านอย่างใกล้ชิดท่านก็ไม่ให้ข้าพเจ้าไปกับท่าน ทั้งที่ข้าพเจ้าเชื่อร้อยเปอร์เซน์ที่ข้าพเจ้าจะต้องติดตามท่านไปทุกคหนทุกแห่งในครั้งนี้ท่านได้บอกองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างให้ไปกับท่านแต่ข้าพเจ้าท่านไม่บอกกลับเฉยเสียแม้ข้าพเจ้าเรียนท่านว่าจะขอตามไปด้วยท่านก็ไม่ให้ไปทำเอาผู้เขียนต้องงงเป็นอย่างยิ่งว่าทำไมท่านจึงไม่ให้ข้าพเจ้าไปกับท่าน ทั้งๆ ท, ท, ที่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติอุปถากท่านทุกอย่างในขณะนั้นหลังจากท่านได้เดินทางออกจากบ้านโคกไปแล้วข้าพเจ้าสังเกตดูมันให้หงอยเหงาไปหมดดูเหมือนใบไม้จะเหี่ยวแห้งแผ่นดินแห้งแล้งไปทีเดียวข้าพเจ้าทนไม่ไหวต้องติดตามไปหาท่านที่วัดป่าบ้านนามนแล้วก็ไม่ได้นาเอาบริขารไปไปเพียงเป็นอาคนรถู ก, กะเท่านั้น เมื่อกราบท่านเสร็จแล้วก็ปฏิบัติเหมือนกับปฏิบัติอยู่เดิมได้กระทำทุกอย่างได้เวลาเย็นผู้เขียนก็ลาท่านกลับตอนกราบลาจลุกท่านเด้ถามว่าวิริยังลากงมาแล้วหรือหมายความว่าข้าพเจ้าเด้วลาท่านอาจารย์กงมาจิรปุญโญซึ่งเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าแล้วหรือเท่านี้ผู้เขียนก็ทราบในใจแล้วว่าท่านต้องการให้อาจารย์ของข้าพเจ้า อนุญาตเสียก่อนท่านไม่ต้องการที่จะนำเอาลูกศิษย์ใครไปโดยพลตการในเมื่ออาจารย์ของเขาไม่เต็มใจหรือไม่อนุญาตซึ่งด้วยเหตุเช่นตัวของข้าพเจ้านี้ท่านจะทำอย่างไรก็ได้เพราะฝากกายถวายชีวิตแล้วแม้แต่อาจารย์ของข้าพเจ้าท่านจะทำอย่างไรก็ได้แต่ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ไม่ก้าวกายระหว่างสิทธิอาจารย์ จึงทำให้เป็นที่น่าเคารพ บ, บูชายิ่งข้าพเจ้ารู้ความจริงแล้วดีใจยิ่งนักและเสียใจยิ่งนักในเมื่อมารู้ว่าตัวเรานี่โง่จัดควรจะได้ร่ำลาอาจารย์ของข้าพเจ้าเสียแต่วันท่านอาจารย์มั่นเดินทางก็จะดีข้าพเจ้าเดินทางกลับพลางเกาศีรษะพลางนึกพลางว่าโง่จัดจัดทำให้ท่านอาจารย์มั่นเตือน แต่ก็นึกต่อไปว่าท่านให้ความรักใคร่เอ็นดูข้าพเจ้าเป็นกรณีพิเศษจึงได้ให้ในยยะแก่ผู้เขียนซึ่งผู้เขียนก็ยังได้จําและจ่ารึกอยู่ในใจว่าท่านก็ประสงค์จะทรมาและฝึกสอนต่อเติมความรู้ให้ผู้เขียนด้วยความเมตตาปราณีจึงเป็นอันว่าผู้เขียนได้กลับไปลาพระอาจารย์กงมา ท่านก็อนุญาตให้ผู้เขียนไปอยู่กับท่านอาจารย์มั่นตามความประสงค์สมใจผู้เขียนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่กับท่านอีกวาระหนึ่งและก็เพิ่มความตั้งใจแก่ผู้เขียนอย่างยิ่งในอันที่จะพยายามบำเพ็ญความเพียรปฏิบัติทางใจให้หนักเพราะมาคิดว่าการจะหาครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสูงเช่นนี้ยากนักแม้หมดชีวิตหนึ่งหนึ่งหรือหลายชาต อาจจะไม่ได้พบก็เป็นได้ดังนั้นผู้เขียนจึงทุ่มเททุกๆอย่างทั้งกําลังกายและกําลังใจศึกษาและปฏิบัติอย่างไม่หยุดอยัง่งผลก็ปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์เช่นกันทั้งพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นก็ไพเราะเสจจริงๆผู้เขียนนั่งกรรมฐานได้รับความสงบใจแล้วได้มาฟังธรรมของท่านธรรมเทศนานั้น ได้เกิดรสชาติที่ซาบซึ้งหาอะไรเปรียบไม่ได้อีกแล้วทําไมจึงดีอย่างนี้สุดแสนจะพันนาทําทให้ผู้เขียนระลึกถึงคนอื่นๆต่อไปว่าเราจําเป็นที่จะต้องบันทึกธรรมเทศนาของท่านอาจารย์มั่นให้ได้เพราะถ้าเราไม่บันทึกต่อไปธรรมเทศนาอันวิเศษนี้ก็จะหายสูญไปอย่างน่าเสียดายและธรรมเทศนาเช่นนี้จะพึงแสดงได้ก็แต่ท่านอาจารย์มั่นเท่านั้น องอื่นถึงแสดงก็ไม่เหมือนจึงทำให้ผู้เขียนได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเขียนบันทึกธรรมเทศนาของท่านให้ได้และก็เป็นผลสำเร็จขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะยังไม่เคยมีใครบันทึกธรรมเทศนาของท่านเลยเป็นที่น่าสังเกตท่านอาจารย์มั่นท่านไม่เคยยอมให้ใครบันทึกธรรมเทศนาของท่านโดยเป็นหนังสือเลย มีแต่จำกันใส่ใจเท่านั้นถ้าใครจะบันทึกด้วยหนังสือจะต้องถูกท่านดุและประนามเอาทีเดียวแต่ผู้เขียนขโมยเขียนและยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรักและชอบและเลื่อมใสสุดหัวใจแล้วท่านจะดุดาประนามผู้เขียนยอมทุกอย่างขออย่างเดียวให้ได้บันทึกธรรมเทศนาเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นต่อไปภายหลังไม่ได้ฟังจากท่านจะได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ พระภิกษุสัมเนรที่ไปอยู่กับท่านต่างก็กลัวเช่นนี้จึงไม่มีใครกล้าจะเขียนธรรมเทศนาของท่านจึงเป็นอันว่าผู้เขียนได้กล้าเสี่ยงอันตรายครั้งสําคัญทีเดียวเกิดความสําเร็จแก่ผู้เขียนอย่างเต็มภาคภูมิคือตลอดพรรานี้ผู้เขียนได้บันทึกธรรมเทศนาตลอดไตรมาสจึงก็สําเร็จขึ้นเป็นเล่มในชื่อหนังสือมุตโตไทย หลังจากผู้เขียนได้บันทึกธรรมเทศนาของท่านแล้วก็พยายามทำความลับไว้ตลอดเวลาวิธีการที่ผู้เขียนทำสำเร็จนั่นคือเมื่อเวลาท่านแสดงธรรมพยายามกาหนดไว้ในใจอย่างมั่นคงเพราะขณะนั้นความจําของผู้เขียนยังอยู่ในการใช้ได้เมื่อท่านแสดงธรรมจบแล้วผู้เขียนยังต้องมีหน้าที่ถวายการนวดอีกไม่ต่ากว่าสองชั่วโมง เมื่อถวายการนวดเสร็จแล้วก็รีบกลับไปที่พักจับปากการีบเขียนธรรมเทศนาของท่านก่อนความจำนั้นจะเลือนลางไปตอนนี้ผู้เขียนจะบอกอะไรให้สักอย่างว่าเป็นเรื่องน่าคิดหนักหนาตอนนั้นอยู่ในระหว่างสงครามปากกาดินสอดำน้ำมึกไม่ต้องหาไม่มีใช้เพื่อเอิญผู้เขียนมีปากกาอยู่หนึ่งด้ามติดตัวไปน้ำมึกไม่มี ผู้เขียนต้องคิดตำราทำน้ำหมึกขึ้นใช้โดยเอาผลสมอไทยผลมะเหลื่อมผลมะขามป้อมเอามาตําแช่น้ําและอ่อนเหล็กที่มีสนิมมากเช่นผานไถนาแช่ลงไปด้วยเมื่อแช่สองสามวันได้ที่แล้วเอามากรองด้วยผ้าบางจนใสแล้วก็เอาเขมาติดก้นหม้อนี้ต้องการสีดําใส่เข้าไปคนจนเข้ากันดีแล้วกรองอีกคราวนี้ก็เอามาใช้ได้ผล ข้าพเจ้าได้ใช้มันจนเขียนได้เป็นเล่มแต่เวลาเขียนมันจะไม่แห้งทันทีต้องรอนานกว่าจะแห้งข้าพเจ้าได้ทาอยู่อย่างนี้คือฟังเทศเสร็จแล้วถวายการนวดเสร็จแล้วกลับมาเขียนหนังสือตลอดเวลาสามเดือนการแสดงธรรมของท่านมีได้แสดงทุกๆคืนในที่สุดข้าพเจ้าก็ทางานเสร็จสมกับคาปณิธานที่ได้ตั้งไว้ แล้วก็พยายามกำความลับไว้ไม่ได้แพร่พลายให้ผู้ใดทราบถึงการกระทำของข้าพเจ้าเลยแม้แต่คนเดียวเมื่อความสนิทสนมผู้เขียนกับท่านอาจารย์มั่นนับวันแต่จะสนิทยิ่งขึ้นท่านได้ให้พรพิเศษเมตตาพิเศษแนะนำพิเศษจนผู้เขียนหายความหวาดกลัวเหมือนอย่างแต่ก่อนอยู่มาวันหนึ่งผู้เขียนคิดว่า ก็ธามมาเทศนาที่เราเขียนแล้วนั้นจะปิดเป็นความลับไว้ทำไมเปิดเผยถวายท่านเสียดีกว่าท่านจะกินเลือดกินเนื้อเราก็ให้รู้ไปจึงเป็นอันว่าผู้เขียนได้นำเอาเนื้อความอ่านเล่าถวายท่านท่านจึงเอะใจขึ้นว่านิวิริยังคุณปีเขียนแต่เมื่อไรจากนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไรแล้วท่านก็ยอมรับว่าบันทึกนี้ถูกต้อง โล่งอกโล่งใจข้าพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งนึกว่ายังไงเสียคงโดนด่าหลายกระบุงแต่ท่านกลับให้ความร่วมมือเป็นอย่างน่าอัศจรรย์หนังสือมุตโตไทยนั้นแม้จะมีเนื้อความไม่มากนักแต่บรรจุถ้อยคําเป็นคําสอนที่ดีมากจริงๆได้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ปรากฏว่าได้พิมพ์ไปแล้วหลายหมื่นฉบับและก็ยังไม่จืด จะต้องมีการพิมพ์ต่อไปอีกมากข้าพเจ้าถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญที่ทำได้สำเร็จในขั้นแรกของชีวิตเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักทั้งเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อการขับไล่ของท่านอาจารย์มั่นอย่างยิ่งเพราะถ้าทำผิดแล้วมีอย่างเดียวคือการไล่ออกนับเป็นสิ่งน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งในพรรษานี้ ข้าพเจ้าได้รับบทเรียนเป็นพิเศษมากมายพอดูวันหนึ่งฝนตกใหญ่ผู้เขียนก็รีบเข้าห้องนอนเพราะครึ่งฟ้าน่าจะนอนมากแต่พอเอยนหลังลงหน่อยเท่านั้นด้วยความเป็นห่วงจึงแง้มหน้าต่างมองไปที่กุฏิของท่านอาจารย์มั่นข้าพเจ้าต้องตกใจมากเพราะท่านผลัดผ้าส่งน้ำออกตากฝนรองน้ำฝนใส่องค์อยู่องค์เดียวผู้เขียนรู้สึกตัวว่าเราผิดแล้ว ทำท่าจะนอนท่านอาจารย์กำลังรองน้ำฝนอยู่ผู้เขียนรีบผลัดผ้าอาบโดยพลันลงจากกุฏิอย่างกลับจะวิ่งเข้าไปรีบช่วยท่านรองน้ำฝนผู้เขียนพูดกับท่านว่าท่านอาจารย์จะลงมาทำไมเดี๋ยวจะไม่สบายท่านตอบว่าวิริยังอยู่ใต้ฟ้าต้องกลัวฝนด้วยหรือการอาบน้ำฝนเป็นยายุวนะัฒนรู้ไหมเป็นยายังไงครับ ผู้เขียนถามก็น้้ำฝนมันบริสุทธิ์ดีเหงื่อใครก็ออกดีมากกว่าน้ำธรรมดาอาบแล้วเบาตัวท่านตอบเมื่อรองน้ำถวายการถูหลังบิดผ้าอาบตากเรียบร้อยท่านก็เข้าห้องจำวัดไปผู้เขียนกลับกุฏิแล้วก็มานึกถึงว่าน้ำฝนเป็นยาน้ำฝนเป็นยาท่านอาจารย์มั่นท่านบอก ทำเอาข้าพเจ้าพยายามที่จะอาบน้ำฝนให้มากเพื่อจะได้เปัญยาจนกระทั่งบัดนี้วันหนึ่งขณะที่ผู้เขียนถวายการปฏิบัติท่านอยู่ตามปกติเวลากลางวันเพราะหลังจากชันเสร็จท่านเดินจงกรมเสร็จท่านเข้าห้องเวลาบ่ายโมงท่านจะออกมานั่งข้างนอกผู้เขียนก็จะต้องเตรียมน้ำสำหรับชงชา ชาก็เป็นชาเชียงใหม่และเตรียมหมากพลูปูนยาไว้สําหรับตําหมากถวายท่านวันนี้ก็เช่นเดียวกับทุกๆวันผู้เขียนได้ทําเช่นนั้นหลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็ได้มวนบุรีถวายท่านพอท่านสูบควนบุรีก็ออกมากระทบกับจมูกของผู้เขียนวันนี้เป็นอย่างไรไม่ทราบเกิดเหม็นควนบุหรี่ยิ่งกว่าทุกวันจึงอดไม่ไหวจึงได้พูดว่า แม่บุรีนี่เหม็นจริงเท่านั้นเองผู้เขียนก็ต้องถูกดุว่านี่วิริยังการยกโทษผู้อื่นนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งว่าแล้วท่านก็มวนบุรีขึ้นตัวหนึ่งเบิ่มให้ผู้เขียนบอกว่าเอาสูบเสดวนี้เมื่อสูบแล้วจะได้ไม่ยกโทษผู้อื่นทำเอาข้าพเจ้างงไปต้องสูบบุรีแล้วก็สาลักท่านก็หเระชอบใจ ผู้เขียนได้คิดเรื่องนี้ไว้เป็นการบ้านอยู่ตลอดเวลาว่าการที่ท่านอาจารย์มั่นท่านแนะนำพร่ำสอนบุคคล น, นี้ท่านสอนโดยทุกวิธีแม้แต่สูบบุหรี่ทำเอาผู้เขียนต้องจดจำตลอดชีวิตว่าการที่จะยกโทษคนอื่นนั้นยอมไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคนเราต่างก็มีความสามารถเป็นคนละอย่างเมื่อก็ทําไม่เหมือนเราเราจะว่าเขาไม่ดีก็ไม่ควร และควรจะมองคุณประโยชน์ของแต่ละบุคคลซึ่งคนคนหนึ่งมีช่ว่าจะเสียไปหมดแล้วก็มีช่ดีไปหมดถ้าบุคคลผู้ฉลาดแล้วดินที่ตรงไหนก็เอามาทำประโยชน์ได้ถ้าหากว่าเราจะไม่ยกโทษว่าดินมันตำ่ำซ้มอีกวันหนึ่งขณะที่ผู้เขียนกําลังหันผักถวายท่านในเวลาพัตาหารเช้าตามปกติ ท่านจะต้องหันผักทุกวันแต่ฟันของท่านไม่ดีเพราะต้องใช้ฟันเทียมจึงต้องหั่นผักให้ละเอียดผู้เขียนมีหน้าที่จะต้องหั่นทุกวันในเมื่อท่านเลือกดูแล้วว่าผักนี้เป็นที่ถูกกับาธาตุของท่านในวันนั้นผู้เขียนได้หั่นผักเป็นพิเศษคือหั่นให้หยับหยาบเพราะทุกๆวันหั่นละเอียดพอดีท่านเหลือบมองเห็นก็ได้ถามผู้เขียนว่า วิริยังทำไมจึงหันยาบนักวันนี้มันอร่อยดีครับหันละเอียดแล้วมันไม่อร่อยผู้เขียนตอบนี่ยละนะเขาว่าอวดเขี้ยก็คือหมาอวดงาก็คือช้างท่านอาจารย์ท่านว่าในขณะที่พระภิกษุสามเณรเต็มศาลาขณะที่เตรียมจะฉันพัฒหารเช้าทำเอาผู้เขียนสะดุ้งเฮือกเป็นอันว่าท่านอาจารย์มั่นท่านสอนคนทุกขณะเวลา อันการพูดของท่านว่าอวดเคี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างท่านได้เปรียบเทียบคนที่โอ้อวดหมายความว่าไปเที่ยวอวดตัวต่อใครๆว่าข้าพเจ้านี่เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ต้องการที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยหาวิธีการอวดด้วยกรรมวิธีต่างๆเท่าที่ตัวบุคคล น, นั้นจะหาได้เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อถือที่ผิดๆเกิดขึ้นแก่วงชนเป็นอันมาก โดยเหตุก็เพียงเพื่อต้องการหาชื่อเสียงความโด่งดังให้แก่ตัวเองท่านอาจารย์มั่นท่านเปรียบคนจำพวกนี้เหมือนกันกันกบสัตยรชานตามที่ท่านได้ด่าผู้เขียนท่ามกลางพระภิกษุสามเณรขณะที่ผู้เขียนยังไม่ทันตั้งตัวเลยเพียงผู้เขียนมีเจตนาที่จะให้ท่านได้ฉันอร่อยสักวันหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านก็ถือโอกาสดุด่าเป็นการสั่งสอนที่แนบเนียนที่สุดและได้ผลที่สุด เพราตัวผู้เขียนต้องจดจําจนวันตายและเพื่อนสหธรรมิกที่รวมอยู่กับผู้เขียนก็ได้สติระลึกอยู่อย่างแนบแน่นในจิตใจเท่าที่ผู้เขียนจําพระเทระที่อยู่ร่วมด้วยวันนั้นคือพระอาจารย์หลุยพระอาจารย์มหาบัวพระอาจารย์เนตรพระอาจารย์เนียมนอกนั้นก็ลืมเลือนลางไปเสีแล้วรวมประมาณยีสิบกว่ารูป มาเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับเพราะเรื่องนี้จะเป็นปัญหากับคนรุ่นใหม่และคนที่ไม่มีเวลาศึกษาธรรมะในระดับลึกได้นะครับการกระทำบางอย่างของพระอาหารหันต์นั้นสักแต่ว่าเป็นกิริยาไม่ถือว่าเป็นกรรมกรณีการสูบบุหรี่ของครูบาอาจารย์ในอดีตนั้นควรพิจารณาให้ดหีละเอียดก่อนด้วยนะครับและถ้าวาสนาปัญญาบารมีไม่เท่าท่านก็อย่าได้คิดว่าจะทาตามท่านได้ทุกอย่าง ในเรื่องของยาเส้นโบราณนั้นถือว่าเป็นยาสําหรับบางท่านได้ซึ่งในเรื่องนี้สมัยก่อนคุณแม่ของผมเป็นสยนัดแพทย์แผนไทยก็มียาเส้นมาให้สูบเพื่อรักษาอาการนะครับบางกรณีเช่นก่อนบวชเคยสูบมาจนชินร่างกายชินจากสารที่ได้จากยาสูบพอมาบวชก็อนุโลมตามความต้องการของร่างกายเพราะไม่อย่างนั้นร่างกายก็จะรวนคล้ายเกิดอาการถอนยาส่งผลเสียมากมายทําให้ภาวนาต่อไม่ได้นะครับ เหมือนการเลือกอาหารให้ถูกธาตุขันเช่นเดียวกันให้สังเกตว่าบางคนกินผักนี้แล้วร่างกายเบาสบายบางคนกินเหมือนกันแต่ร่างกายอึดอัดไม่ย่อยมวนท้องรสชาติก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับธรรมะเป็นสิ่งลึกซึ้งที่ต้องพิจารณาศึกษาให้ถีท้วนเหมือนกรณีพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลท่านพูดคาหยาบและไม่ผิดศีลไม่ผิดวินัย ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่าเป็นเรื่องของจริตวาสนาและศักว่าเป็นแค่กิริยาไม่มีจิตนาไม่เป็นกรรมถือว่าไม่ผิดนะครับพูดจะเชื่อหรือไม่เชื่อต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อนจะกลายเป็นการปรามาสพระอริยะหรือกระทำตามแบบผิดๆจนส่งผลเสียหายต่อตอนเองในภายหน้าได้อย่างมากจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ สำหรับในกรณีพระนุ่มเนียนน้อยที่คิดจะทําตามครูบาอาจารย์ในอดีตก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนเลิกได้ก็เลิกนะครับแต่ถ้ายังเลิกไม่ได้หยุดแล้วร่างกายรวนมีผลต่อร่างกายก็ต้องตั้งมั่นในการปฏิบัติและทำจิตให้ได้เหมือนครูบาอาจารย์ด้วยว่าสูบแบบมีสติไม่ได้สูบเพราะกิเลสเพราะความอยากเหมือนกินอาหารก็กินเพื่อให้มีชีวิตไม่ได้กินเพราะอยากได้ความอร่อย ถ้ามั่นใจว่าเจริญสติได้ทั้งวันภาวนาจริงจังเพื่อต้องการพ้นทุกข์ได้อย่างท่านและจะอ้างเพื่อทําตามท่านก็ยังพออนุโลมได้นะครับย้ําว่าต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนทําตามถ้าร่างกายมันจะป่วยเพราะขาดสารจากยาสูบก็ให้รู้เท่าทันว่าเพื่อประคองร่างกายเท่านั้นไม่ได้สูบเพื่อความเพลิดเพลินแต่ให้มีจิตระลึกเสมอว่าวันหนึ่งจะต้องเลิกให้ได้ ขนาดสูบก็ควรสูบในที่รับตาคนนะครับโดยเฉพาะอย่าให้ชาวบ้านเห็นเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เขาเสื่อมศรัทธาหรือเผลอปรามาสร้างกรรมให้ตนเองได้อย่าลืมมีข้อนะครับว่ายาสูบโบราณยังมีคุณสมบัติเป็นยาอยู่ระดับหนึ่งมีสมุนไพรหลายชนิดมาผสมกับยาสูบได้และให้ผลในการรักษาแต่บุหรี่ในปัจจุบันต่างกันมากออกไปทางสารพิษสารเสพติดซะมากกว่านะครับ สำหรับท่านที่ร่างกายชินกับนิโคตินมานานปัจจุบันมีอาหารเสริมยาลดความอยากบุหรี่ซึ่งหาซื้อได้ง่ายมากมายก็ควรพิจารณานํามาใช้ทดแทนเพื่อประคองร่างกายไม่ให้สุดจากอาการถอนยาหรือผลเสียจากการหยุดสารเสพติดแบบกระทันหันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเลิกบุหรี่แนะนําให้ไปอ่านหรือฟังวิธีโปรแกรมจิตเพื่อเลิกบุหรี่ที่ผมเขียนไว้นะครับ จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พิจารณาด้วยนะครับ